รำดับนี้ท่านหลายได้สมาทานแล้วต่อ น, นี้ไปก็ยัขอนำมาเป็นกินกะาปฏิบัติมาแนะนำท่านต่อไปแต่ความจริงการปฏิบัติเพื่อกรมมฐานที่เป็นพื้นฐานใหญ่ <c oughs> นี่เราเรียนกันมาหลายจบไม่ใช่จบเดียว ผมหวังว่าถ้าว่าท่านลังหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาคำแนะนำก็คงจะมีผลถ้าคิดว่ามีผลน้อยก็น่าสลดใจ <c oughs> ถ้าเราสนใจเกันจริง <c oughs> เราสนใจเกนจริง <c oughs> เราจะพ่ออย่างนี้ถ้ากรรมฐาน ส, สี่ส <c oughs> <ๆ>ิทธ์ก็ดี มหาปฏิปท า, า, านนั้นสวยกนดีแต่สองราการนี้ที่พระทรรหลายท่านปฏิบัติมลูกมรรควรรุกผลนี่ท่านเลยนกันไม่จบ <c oughs> ท่านเล่กันเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ได้ว่าสมักของเราเฉพาะกรรมฐานสี่สิบผมจำได้ว่าสอนมาสามจบแล้ว และมหาปฏิปัติานแนสูตรก็หลายรอบนี่ว่าก็เป็นรอบๆหรอือ ว, ว่าบางทียิ่งมากกรอบจิตก็ยังเฝืออันนี้ผมก็ทราบไม่ได้แต่ ว, ว่าถ้าจะพูดกันไปอารมณ์ใจพระที่มีความมั่นคงนี่มีอยู่มากแล้วก็ันรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงก็มีเยอะ เพราะนั้นว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านการแนะนําเป็นเรื่องของผมและพระได้เจ้ากล่าวว่าขาตาโร ต, ถ า, า ต, าตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเมื่อบอกไปแล้วท่านจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องของท่านเอง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 แต่ก็หวังว่าท่านหลายมาทางแล้วก็คงจะจําได้แล้วก็ปฏิบัติได้วันนี้ก็มาแนะนํากันในเรื่องเบกินกะเล็กๆน้อยๆตามเวลาที่ยังงมีเมื่อได้พูดกันมาถึงเรื่องของพระโมกขลาแลพิสารีบุทผมก็เอาธรรมะที่พระโมกขลาและพิสารีบุตรฟังมาแล้วมาคุยกับท่านในวันนี้ พระสาริบุตรกดีพระโมกกันลายกุดีฟังทำโดยย่อว่าทำเราใดมีเหตุเป็นดาเกิดพระตาถาคตตรัสเหตุแห่งทำเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับแห่งทำเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ <c oughs> ความจริง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 ไม่เกิดมาแล้วทุกไปเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีขันห้าถ้า <c oughs> คนที่เขาไม่มีขันห้าแต่ต้องระวังให้ดีนะขอ ร, รับคนพู้ที่ไม่มีขันห้าแต่กลายเป็นสัตว์นาบายภูมิเออเป็นสัตวนารกเป็นเ ป, นเ ป, นปรตแปลสุรกายนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกัน ต้องไม่มีคันห้ายอย่างฉลาดการไม่มีคันห้ายอย่างโง่ใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไม่มีคันห้าก็ต้องไม่มีคันห้ายอย่างคนฉลาดเมื่อท่นานฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าศัท์อย่างนี้ไม่เคยมีใครเคยพูดที่ไหน ผมก็จะบอกว่าเขาพูดกันแต่ว่าพูดกันเป็นภาษาบาลีนี่ผมพูดแบบภาษาไทยการที่มีไม่มีขันห้าแบบโง่ก็ได้แก่คนที่ไม่มีขันห้าเดินหน้าของอกุศลอกุศลนี่แปลว่าไม่เฉลาย่ยก็คือโง่ในหมายความว่าตายไปแล้วขันห้าไม่มี แต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของเราน้อมนำจับอยู่ในได้ของอกุศลเป็นสำคัญเถาอะาอกุศลเป็นใหญ่ทำความชั่วทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรถไม่เคารพในจรณะสิบภาประการนี่เป็นอกุศล <c oughs>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 นั่นหมายเท่าว่าเราไม่พ้นอบายภูมิเพราะฉะนั้นว่าคนที่ฉลาดเขาก็ต้องเคารพในเจรณาสิบห้าแล้วปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าไอคนงโง่ก็ไม่เคารพในจริยธรรจรณาสิบห้าคือความประพฤติ ท, ที่มันดีเนะี่ยไม่เคารพเจรณาแปลว่าความประพฤติ เราต้องประพฤติในความดีให้ครบถ้วนจิงจัดว่าเป็นคนฉลาดฉะ น, นม้นสำหรับท่านที่มีชีวิตอยู่และไม่ยอมรับนับถือในเจต น, น, น, นสิบห้าไม่ประพฤติข้อนั้นทั้งสิบห้าข้อให้ครบถ้วนจัดเป็นคนโง่ถ้ามีเป็นอาทิตสมานในกายคือตายไม่มีคันห้า อาทิสมานกายของท่านโบนั้นก็ต้องตกไปเป็นสภาพสัตว์ในรกเป็นเปรตเป็นสุรกายแสนจะลำบากแม้คำว่าไม่มีขันห้าก็จะต้องเลือกเหมือนกันจะต้องเลือกประเภทไม่มีขันห้าประเภทที่เป็นกุศลคือฉลาดได้แก่เท ว, วดาพรมและละหันเข้านิพพานแล้ว สามอย่างนี้ที่ปลดขันห้าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขอาศัยความฉลาดเป็นสำคัญตอนนี้แล้วก็หมุนเข้ามาถึงคำสอนก็องสมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้า <c oughs> ที่พระสัชชท่านบอกกับพระโมกขลาและพภาษารีุ่ตร <c oughs> ว่าทำใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าสุนตรเตุของธรรมนัน้นแในความดับของธรรม น, นั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็มานั่งดูอาริยสัตว์ที่กล่าวว่าเป็นทุกข์ทําไมเราจริงทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีขันห้า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 ล่วงลงไปถึงต้นเหตุของมันเหตุที่จะมีกันท่าก็คือหนึ่งเรามีกิเลสเรามีจิตที่มีอารมณ์ไม่ผ่องใสตัณหาเรามีความอยากมีความทะเยอทยานในลาบยศสนสนสุขเป็นปกติอุปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นว่าลาบยศสนสนสุขเป็นชณะที่พึ่งของเรา มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเรากับมันไม่จากกันอกุศลกรรมเมื่อจิตคิดอย่างนั้นแล้วก็สร้างอารมณ์ยึดลาบยุดสม ส, สุขต่อไปจัดว่าเป็นความไม่ฉลาด <c oughs> นี่เป็นอันว่าขันห้าที่เราจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเหตุสี่ประการคือหนึ่งอารมณ์จิตที่เศร้าหมองได้กับกิเลส สองความอยากในโลกธรรมทั้งแปดประการที่พวกกล่าวมันสี่เอาสี่ก็แล้วกันแปดนะั่นเป็นตัวต้องเป็นตัวผ่านให้เป็นทุกข์เรามาหลงอยู่ในสี่คือลาบยศสรนเสริญ ส, สุขอุปาทานยึดมัน่นถือมัน่นในลาบยศสรนเสริญ ส, สุขว่าเป็นสนญทา่ิพุ จะอยู่ด้วยกันกับเราตลอดกาลตลอดสมัยอกุศลคำว่าอกุศลเพราะความไม่เฉลาดฉลองยิงเข้ามายึดมั่นในเหตุนั้นนี่ละเพราะอาศัยเหตุทั้งสี่ประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หมายถึงว่าโลกกระทำทำไปจำโลกได้หลาบได้ยดึดได้สนเสริญได้สุขที่เป็นการมาคุณเมา เพราะเราไม่ละเหตุเจตสีกประการนี้เราจรึงต้องมีขันห้าือต้องเกิดถ้าเราจะต้องการความสุขเราก็ต้องหาทางตัดเหตุเที่ยเกิดขันห้า <c oughs> ตัดมันเสียเขาคนนี้เขาไม่มีขันห้าในด้านฉลาดเนี่ยเขามีความสุขอย่างท่านทั้หลายที่เป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดี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 แล้วก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามันเป็นทุกข์ที่มีร่างกายไม่มีเพราะกายพวกนั้นถ้าเป็นกายทิพย์มันไม่ใช่กายทุกข์นีเพียงแค่แต่ว่าท่านมีกายเป็นทิพย์เป็นเทวดาระพ่มท่านก็มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์ด้วยถ้าสิ้นบุญวัฒนนามบรารมีก็ต้องเกิด ถ้าสุขจริงๆก็ต้องเป็นอราหารันต์ข้านิพานนี่เรามานั่งดูกันตรงนี้ร่างกายมันเกิดมาจากกิเลสตันหาวปาทานอกุศล ก, กรรมฟังยากฟังกันหมว่าร่างกายมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าเราติดอยู่ในลาบติดอยู่ในยศติดอยู่ในสัมเสริญติดอยู่ในสุข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 คนที่ตายแบกลูกแบกหลานบอกซะมีแบกปัญญาแบกบ้านแบกเรือนแบกทรัพย์แบกสินไปได้ไหม <c oughs> นี่ใช่เป็นยาคิดอย่างนี้ตัวอย่างมีถมไปเห็นแล้วก็จำจะไม่คำว่าของกูของกูแล้วมันไ ม, ม่มีอะไรเป็นของกู แม้แต่ร่างกายที่เป็นขุ บ, บัตทที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเป็นของกูมันก็ไม่ไปด้วยเวลาตายส่วนที่มันจะไปก็คืออาทิตสมาและกายที่เราเรียกธรรมจิตเห็นแล้วหรื อ, อย่างว่าการติดในลาบติดอยู่ในลาบคำว่าราบหมายถึงสิ่งที่ได้มา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 ตอนนี้เขาทำยังไงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำํำว่าเราก็ต้องใช้สับว่าตัดตัณหาให้สิ้นไป ท, ไทําใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุของทานั้นได้เหตุถึงความดับหาตัวดับเหตุเหตุที่ทําให้เราเกิดก็ได้แต่ตัณหา เราก็ใช้วิธีตัดตัณหาให้สลายตัวไปวิธีที่จะตัดตัณหาให้สลายตัวไปพระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามักมักคปฏิเบธามักนี่แปลว่าทางเดินเราเดินทางไหนตัดตัณหากัตรงไหน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 ใอท่านอุมาสกุกมาสิกาบางคนก็เหมือนกันพูดง่ายแสงง่ายก็ยังเท่าไรก็ตามไม่เข้าใจยังใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของอเวจี v G อยู่ก็ยังมีนี่ขอท่านนหลายปรับปรุงใจกันเส้ยดีนะเพราะท่านนันหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าพลาดจะไม่ไปไหนอเวจี v G แน่นอน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 จะบอกว่าตัดตัณหาด้วยอันนั้นตัดตัณหาด้วยนี้ผมไม่พูดอะพูดกันตรงตรงพูดอ้อมไปอ้อมมาก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเรามีปัญญาพลอยสติเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีแล้วหรือย่างเราใช้ปัญญาใข้คนรพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแล้วหรืออย่าง เรามีความเคารพในพระอริยสงฆ์จริงแล้วหรือยังนั่งวัดใจของเราดูลาวศิลของเราบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านั่งวัดใจให้ดีนะไม่ต้องมากเราเท่านี้ทำได้แล้วหรือยัง อารมณ์ใจของน้ำท่านรักพนิพันธ์เป็นอารมณ์แล้วหรือยังอย่าถือเหตุภายนอกเขามาถือว่ากวนใจเราเหตุภายนอกไม่ห้ามเขาไม่ได้ <c oughs> ขาวความวุ่นในกิจการงานความที่ธุรกิจที่เหตุที่ต้องแบกภาระต่างๆเป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา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 อย่าให้มันอ ย, อย่าทำจิตใจให้มันเข้าไปกวนประสาท ต, ตัวเองเดียวว่าภาระหน้าที่มียังไงทาไปเพื่อความอยู่เป็นสุขเราชาระหนี้สนที่เป็นอกุศลและการอดทนต่อความทุกข์นี่เป็นภาระจิตของเรา เป็นนั้นว่าอันดับต้นความเป็นพระสงนาคับสษฐกิจฐาคาก็ได้แต่มีตรณาคมครบถ้วนมีศีลบริสุทธิ์จิตรักนิพพานยากเกินไปไหมนี่แหละตัวระคำหน้าแตกันห้าแล้วถ้าอารมณ์ทรงได้อย่างนี้ก็ใช้การยกตาลุภติกาสุปกรรมฐานควบคุมกำลังใจ ว่าร่างกายของคนละสัตว์มันสกปรกร่างกายของคนละสัตว์แปลนิจังหาความเที่ยงไม่ได้มีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นปกติเราจะมานั่งรักหลงไหลไปผันในร่างกายของคนละสัตว์ ว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของสะอาดเป็นเป็นของดีต้องหน่ายความโง่ในเรื่องอะไรตักําลังใจอารมณ์เหงกามารมณ์ทิ้งไปเสียให้หมดเอาจิตเขยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าคนที่เขามีคู่ครองนะเนี่ยเขามีสุขแล้วมีทุกข์ในคู่ครองของคนแต่ละคนเนะี่ยสะอาดและสกปรก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 ทำจิตได้มีความรู้สึกจุดเสมอว่าวาทะที่สร้างศัตรูเป็นวาทะที่สร้างความทุกข์ไม่เมื่อเขาอยากจะทุกข์เมื่อเขาอยากจะเลวก็เปลีย่ยนเขาเลวไปแตู่้เดียวการโกรธการพิิวายการเป็นศัตรูสิ่งใด ก, กันมันเป็นทุกข์เป็นความ ร, าร้ารอนเราไม่ต้องการใช้ลมวางเฉยใช้สับประช่างมัน ใครจะด่าก็ช่างมันใครจะนินทาก็ช่างมันใครจะสรเสริก็ช่างมันไม่รับทั้งหมดตามจิตกําหนดว่าวาทาประเภทนี้เป็นวาทาเลวทั้งสองอย่างทั้งคํานินทาและสรรเสริญมันเลวหมดยกประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้นั้นเราไม่เอาเราเฉยเเป็นสังขารุปเกขายาน ถ้าทรงอารมณ์ดังสองรายการเบื้องหลังนี้ได้ท่านเรียกว่าพระอนาคามีนี่มันยากตอนนี้เนี่ยถ้าบอกว่ายากก็บอกว่าคิดเลยท้ทุกวันสิตั้งอารมณ์มไว้ทุกวินาทีเท่านี้ประเดี๋ยวก็หมดมันไม่ยากเลยบากอะไรเมื่อเป็นอนาคามีแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้ก็เลืองอานาตพุน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 และวก็เราก็ไม่ถือวาทะขององคนอื่นไม่ถืออารมณ์ของอุคลอื่นเราทาใจช่มเชื่ออย่างเดียวว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สินในโลกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของกิเลสตัณหาป่าทานเมื่อพังเมลัยพอใจเหมือนนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันห้าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรา ความเป็นเทวดาหรือพรหมจะไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือปิพาน์นี่แค่นี้เท่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรยากแต้พูดกันแบบไปง่ายแต่ความจริงพูดกันมาเยอะถ้าใช้อารมณ์ให้มันทรงตัวแต่มันไม่นำบาทมันก็สาเร็จนอกสมเร็จผลเวลาสาหรับที่จะแนะนำกันมันก็หมดแล้ว แต่คืนพูดต่อไปอีกมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เมื่อเวลาหมดก็งดจำเพียงธรงนี้ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านแต่งกายให้ตรงลำลองจิตให้มันทรงอยู่ในียาบทเจ้าสี่รายการจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ที่เจรณาหระภาวนาไปตามอัตยาสายยิ่งกว่าท่านนั้หลายจะเห็นว่าเวลานั่งสมควรสวัสดี